บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเสืบอต่อไปในพระพุทธคุณบทว่าวิชาจรณะสัมปันโนที่แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะซึ่งได้อาธิบายมาแล้วสองตอนนั้นในตอนต่อไป ได้แก่รูปไปฌานทั้ง4ประการซึ่งเรียงตามลําดับเลขว่าปฐมฌาน ท, ทาตุติยฌานตติยฌานและจตุติฌานรูปไปฌานทั้งสประการนั้นเป็นความประณีตขึ้นแห่งจิตของบุคคลผู้ปฏิบัติตามหลักสมถกรรมฐานแท้ที่จริงแล้วรูปไปฌานทั้ง4ประการนี้ มีการฝึกปลืออบรมได้กันมาแล้วตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติบังเกิดขึ้นแต่เนื่องจากในรูปประชานนั้นมีความสุขมีความสงบที่ประนีตยิ่งบุคคลผู้ปฏิบัติจึงไปติดอยู่ในความสุขเหล่านั้นไม่พยายามที่จะใช้ปัญญาเพ่งพินิษพิจารณาสวจสอบ ถึงกิเลสที่สงบนิ่งอยู่ภายในจิตใจของตนก็เข้าใจกันว่านั่นคือผลสูงสุดในชีวิตจึงมีการบัญญัติกันตามความเชื่อถือและความเข้าใจว่าปฐมฌานคือนิพพานบ้างทุตยฌานคือนิพพานบ้างตติฌานคือนิพพานบ้างเจตุติฌานคือนิพพานบ้างเป็นต้นเมื่อถือว่าถึงที่สุดแล้ว ก็หยุดความเพียรพยายามที่จะก้าวต่อไปใช้วันเวลาผ่านพ้นไปด้วยการหาความสุขและความสงบจากสมาธิพระโพธิสัตว์เมื่อไปศึกษาในสำนักของท่านอาลาระดาบทและอุตกาดาบทก็ได้ผ่านขั้นตอนเหล่านี้แต่พระองค์ได้ใช้ปัญญาเพ่งพินิษตวดดูพระทัยของพระองค์ เพราะว่าความสุขความสงบที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงกิเลสถูกสยบไว้ด้วยกำลังแห่งฌานเท่านั้นเองถ้าหากว่าวันใดฌานเสื่อมไปกิเลสทั้งมวลที่มีชื่อต่งตางๆก็จะต้องพูขึ้นครอบงำจิตใจอีกจึงไม่ใช่เป็นจุดหมายปลายทางที่แท้ จ, จริงดังนั้นจึงเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติมาโดยลาดับ อย่างที่ทราบกันแต่หลังจากตัดสินพระไทยดําเนินทางจิตก็ได้เลือกเอาหลักของอนาปานาสติกรมฐานเป็นเบือ้องต้นซึ่งหลักของอนาปานาสติกรรมฐานนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่พระโพธิสัตว์ได้สัมผัส ต, ตั้งแต่เป็นราชกุมารเมื่อพระชนมายุเพียงเ็ดพันปศาเท่านั้นเอง ในครั้งนั้นได้บำเพ็ญเพียรไปจนบรรลุประทุมไชานแต่เนื่องจากสถานการณ์ไม่อำนวยให้เพราะพระยาติวงศ์ได้มาค่อมล้อมจนต้องออกจากฌานไปแต่เมื่อมาศึกษาต่อไปก็ได้ดำประมวลประสบการณ์ต่างๆที่เคยผ่านพบมานั่นเองใช้เป็นบันไดดำเนินการปฏิบัติไปโดยลำดับ จนถึงทุติยชตนซึ่งในชั้นนี้ถ้าหากว่าได้อ่านในพุทธประวัติฟังดูคล้ายๆว่าจะไปเร็วเหลือเกินเพราะในปฐมยามแห่งราตรีก็ได้บรรลุอุเพนิวาสานุสติยานแล้วพอถึงมัชชิมยามก็บรรลุจุตูปปาติยานและพอปัจฉิมยามก็บรรลุอาสวกยานคือใช้เวลาเพียงคืนเดียวเท่านั้นเอง ก็ไดส้สรู้แต่ถ้ามองดูพื้นฐานแห่งการประพฤติปฏิบัติของพระองค์แล้วก็จะพบว่าบันไดในตอนต้นคือจากอาณาปานสติไปสู่จจตุเทชานนั้นพระองค์ไดเ้เคยผ่านมาแล้วการปฏิบัติจึงไปเร็วมากในช่วงนี้แต่เมื่อแยกจากจจตุเทชาณไปพิจารณาขันห้าเป็นต้นตามพระสตรลักษ์ ในขณะนั้นพระไทยของพระองค์อยู่ใน ส, สภาพพร้อมคือมีความสงบเต็มที่พร้อมที่จะใช้ปัญญาเพ่งพินิสิ์ธิ์สิ่งทั้งหลายให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามสภาพที่เป็นจริงได้อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวปราศจากกิเลสไม่มีกิเลสจิต เป็นกรรมนิยะคือใช้งานได้จึงน้อมไปเพื่อรู้ญาณทั้งสามประการโดยลำดับข้อ น, นี้จะเห็นได้ว่าพระโพธิสัตว์ได้มาแยกจากหลักการปฏิบัติที่ถือปฏิบัติกันในสมัยนั้นตรงนี้เองทำให้พระองค์ได้จัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระญาณทั้งสีประการของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่อมีพระประสงค์จะสงบอยู่ด้วยพระชานทั้งสี่ประการนั้นก็สามารถจะเข้าฌานได้ในทันทีทันใดเพราะประชานของพระองค์ถึงความชํานาญอย่างแท้จริงที่ท่านเรียกว่ามีวั ส, สีในเรื่องหลดนั้นและสามารถที่จะเข้าฌานออกจากฌานได้ตามที่พระไทยปรารถนาตามปกติแล้ว <c oughs> เวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องตรมานพระวรากายอบรมสั่งสอนประชาชนอยู่เป็นเวลาที่ติดต่อกันนั้นถ้าหากว่าพระวรากายเหน็ดเหนื่อยมากก็จะเข้าฌานไปพักอยู่ที่ทุติยฌานระยะหนึ่งแล้วต่อจากนั้นก็จะอบรมสั่งสอนประชาชนภิกษุสามเณรอีกต่อไปฌานทั้ง4ประการของพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงเป็นเจรณะคือพื้นฐานของพระองค์ในขณะเดียวกันก็เป็นเหตุที่จะให้เกิดความสงบจากกิเลสไปโดยลำดับขั้นตอนของการที่บุคคลจะน้อมรำลึกถึงนั้นก็ก่อให้เกิดความสงบอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วถ้าน้อมเข้ามาพินิจพิจารณาก็จะเห็นถึงความสงบสะอาดแห่ง ประทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ในชั้นของการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัตินั้นก็อยู่ในวิสัยที่คนทั่วไปสามารถจะปฏิบัติได้เช่นเดียวกันถึงทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องอาศัยดำเนินตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้สำหรับในที่นี้จะได้กล่าวถึงการเดินไปตามขั้น ของอนาปานาสติกรรมฐานที่กําลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่หลักของอานาปานาสติกรรมฐานที่ทรงใช้ในสมัยพระพุทธองค์จริงๆนั้นคือการตั้งสติตามดูลมทั้งหายใจเข้าและหายใจออกทั้งยาวและสั้นคือให้สติระลึกอยู่กับลมซึ่งท่านใช้คําว่าแนบแน่นอยู่กับลมไม่พลากไปจากลม จนมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในจิตใจเช่นลมหายใจละเอียดอ่อนจนถึงลมหายใจคล้ายๆจะหายไปในขณะนั้นความสงบก็จะเกิดขึ้นโดยลําดับในชั้นแรกจะเป็นความสงบที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งซึ่งบาลีใช้คําว่าคณิกะสมาธิและเมื่อเพียรพยายามปฏิบัติต่อไปบุคคลก็จะสัมผัส ความสงบที่สูงขึ้นไปกว่านั้นถึงเรียกว่าอุปจาระสมาธิและเมื่อปฏิบัติไปอีกปริมาณความสงบก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสมาธิที่แน่แน่ซึ่งบาลีใช้คำว่าอั ป, ปนาสมาธิค้อนี้ผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานจะพบว่าความสุขและความสงบที่ผู้ปฏิบัติได้สัมผัสในขณะบาเพ็ญเพียรทางจิตนั้น เป็นความสุขความสงบที่ประณีตขึ้นโดยลำดับซึ่งตามปกติแล้วในชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งต้องยุ่งวุ่นวายอยู่กับภารกิจต่างๆนั้นจะไม่สามารถสัมผัสความสุขและความสงบในลักษณะเช่นนั้นได้แต่เมื่อน้อมนำหลักของอาณาปานสติกรรมฐานเป็นต้นมาเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติ บุคคลก็จะได้สัมผัสความสุขความสงบที่ประนีตขึ้นโดยลําดับนั้นจะช่วยให้ธรรมะซึ่งถือว่าเป็นอุปการธรรมที่สําคัญเกิดสืบเนื่องสนับสนุนให้เกิดความสงบไปเรื่อยๆข้อนั้นก็คือหลักของอิทธิบาททั้ง4ประการคือเมื่อบุคคลได้สัมผัสความสุขความสงบ ก, ก็จะพอใจจินดีในความสุขความสงบหลดนั้น เมื่อเกิดความยินดีขึ้นวิริยะคือความเพียรพยายามเพื่อจะสัมผัสในมากขึ้นไปกว่านั้นก็จะเกิดขึ้นจะมีจิตตะเอาใจใสเพ่งพินิษตรวจสอบแก้ไขวิธีทางแห่งการประพฤติปฏิบัติไปจนถึงกระใช้วิบังสาตริสองพิจารณาสภาพจิตในขณะนั้ น, น, นตลอดถึงสิ่งที่เป็นอุปสรรคอันควรขจัดออกไปและสิ่งที่เป็นธรรมะ อันควรน้อมนําเข้ามาประพฤติปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติไปเช่นนี้ก็จะเข้าไปสู่สภาพที่เรียกว่าฌานคำว่าฌานนั้นเป็นทั้งส่วนเหตุและส่วนผลอย่างที่ได้ว่ามาแล้วแต่ที่จริงในหลักของการปฏิบัติแม้อนาปานสติกรรคฐานเองท่านก็ใช้คําว่าฌานเพราะคำว่าฌานในส่วนที่เป็นเหตุนั้น หมายถึงการตั้งสติระลึกอยู่ที่อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นในขณะนี้ก็พูดถึงเรื่องของอนุสติก็หมายความว่าให้ตั้งสติเพ่งอยู่ที่อนุสติข้อใดข้อหนึ่งคือตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในบทว่าอารหังบทว่าสัมมาสัมพุทโธหรือบทว่าวิชาจนะสัมปันโนก็ตามหรือในชั้นของนาปานสติก็เพ่งดูลมดังที่ได้กราบมาแล้ว สรุปว่าอารมณ์ของกรรมฐานส่วนที่เป็นสมถะทั้งหมดซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้มีอยู่40ประการนั้นถือว่าเป็นฌานในขั้นเหตุด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อบุคคลปฏิบัติไปก็จะสัมผัสฌานในส่วนที่เป็นผลได้แก่ความสงบความประนีต ของจิตใจที่เกิดขึ้นโดยลำดับดังที่ได้กราบแล้วและต่อแต่นั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงทางจิตไปเป็นขั้นเป็นตอนท่านจึงจัดไว้เป็นรูปขององค์ฌานทั้งสี่ประการดังกล่าวนั้นคือความสงบในช่วงแรกบุคคลจะยังมีวิตกคือความตรึกและวิจาร์คือความตรองคำว่าตรึกตรองนั้นวิตกวิจารหรือตรึกตรองนั้น ในภาษาไทยเรามีคำซึ่งใช้คู่กันอยู่เช่นพินิษฐพิจารณานึกคิดใจจองตรีจองหรือตรึกจองเป็นอาการที่สืบเนื่องกันของอารมณ์ท่านอุปมาไว้ว่ า, วาลักษณะของวิตกคือความตรึกนั้นเปรียบเหมือนเสียงเคาะระฆังคราแรกวิจารณ์คือความตรองนั้นก็เปรียบเหมือนเสียงโหยหวนของระฆัง หรือวิตกเปรียบเหมือนการจับเอื้อมมือจับอะไรสักอย่างหนึ่งวิจารณ์ก็คือการรูปครัมสิ่งเหล่านั้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นอีกอุปมาหนึ่งท่านอุปมาว่าวิตกเหมือนการเหมือนกับการโผล่ลงจับที่ต้นไม้ที่ดอกไม้ของแมลงพึ่งวิจารณ์คืออาการคราว กลิ่นเกสรของแมลงพึ่งซึ่งเกาะอยู่ที่ต้นไม้เหล่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าวิตกอันใดวิจารก็อันนั้นวิจารอันใดวิตกก็อันนั้นแต่เนื่องจากพระพุทธศาสนาแสดงหลักธรรมะในรูปที่เป็นคณิกะคือเป็นขณะขณะไปไม่ว่าจะในช่วงที่ประนีตหรือว่าช่วงธรรมดาสามัญก็ตาม พระพุทธศาสนาจะพูดธรรมะในรูปของขณะนั้นๆดังนั้นการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาจึงก่อให้เกิดความถูกตรงตามควรแก่กรณนนีนั้นๆันข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างในการยกย่องหรือการตำหนิคนนั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้พูดถึงคนแต่จะพูดถึงการกระทาใครก็ตามถ้าหากว่ากระทาความผิด พระพุทธศาสนาก็ยกย่องการยกย่องการตาหนิในแง่ของพระพุทธศาสนาก็คือตาหนิในการกระทาที่ควรตาหนิแล้วก็ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่องในการกระทาที่ควรยกย่องซึ่งก็หมายความว่าไม่ใช่ยกย่องตลอดไปหรือตาหนิตลอดไปคนที่เคยถูกตาหนินั่นเองถ้าหากว่าวันหนึ่ง กรับทำดีพระพุทธศาสนาก็ยกย่องและคนที่ได้เคยรับการสรรเสริญมานั่นเองถ้าหากว่าทำไม่ดีพระพุทธศาสนาก็ตำมนิเพราะพระพุทธศาสนาพูดถึงการกระทำไม่ได้พูดถึงผู้กระทาแต่ว่าการกระทานั้นเกี่ยวข้องอยู่กับผู้กระทาเช่นสีดำไปเปื้อนคนเราก็บอกว่าคนนั้นเปื้อนสีดำแต่ไม่ได้พูดว่าคนนั้นเป็นคนดา เพราะสีนั้นเป็นสิ่งที่จอนเข้ามาไม่ใช่ตัวของบุคคล น, นั้นในขณะเดียวกันถ้าสีขาวไปเพื้อนคนเราก็พูดว่าคนนั้นสีขาวเพื่อนคนนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเป็นสีขาวเพราะสีขาวเป็นเรื่องที่จอนเข้ามาจันั้นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นประณีตทางจิตก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเป็นการพูดกันในช่วงในขณะ ความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะจากอำนาจของกิเลสหรือจากอำนาจของธรรมะก็ตามแต่ในที่นี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากอำนาจของธรรมะวิตกวิจาร์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลผู้ปฏิบัติขานผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับในยะโดยในยะนี้จึงเป็นวิตกวิจารที่ตรึกนึกจู ถึงอารมณ์ที่เป็นธรรมะไม่แว บ, บเข้าไปหาอากุศลต่างๆซึ่งทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่แว บ, บไปรับอกุศลเสมอไปเนื่องจากอาการของจิตที่ปรากฏในขณะนี้ท่านอุปมาเหมือนกับลูกโคที่เพิ่งพรากมาจากแม่ลูกโคที่ไม่หย่านมเพิ่งพรากมาจากแม่ใหม่ๆไอจิตใจก็อดที่จะหวนกลับ มองก็ไปหาแม่ของตนไม่ได้จิตใจของบุคคลที่คุ้นเคยอยู่กับการไหลไปตามกระแสอารมณ์ก็มีลักษณะอย่างนั้นถึงแม้จะมาอยู่ในความสงบวิตกวิจารส่วนมากแล้วจะเป็นเรื่องของธรรมะก็ตามแต่โอกาสที่จะหมุนกลับไปได้สู่อารมณ์ซึ่งตนเคยเสพคุ้นเคยชินอยู่เป็นปกตินั้นมีได้ง่ายดังนั้นในชั้นนี้ จึงไม่ใช่เป็นขั้นที่ควรแก่การพอใจยินดีแต่ในขณะเดียวกันนั้นเองก็ยังมีธรรมะคือความปีติได้แก่ความเอิบออิ่มซึ่งปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตปีตินั้นมีลักษณะคล้ายๆกับดีใจแต่ดีใจนั้นอาศัยรู ป, ปวัตถุเป็นตัวกระตุ้นโดยมากส่วนปีติอาศัยธรรมะเป็นตัวกระตุ้นโดยมาก ลักษณะของปีติที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้ในลักษณะที่แตกต่างกันท่านี้อาจจะเป็นเพราะบารมีของบุคคลเราไม่เหมือนกันนั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งพื้นฐานทางจิตทางอัตยาสายของบุคคลไม่เหมือนกันเช่นว่าบางคนอาจจะรู้สึกตามผิวเต้นคล้ายๆกับมดไส้บางคนอาจจะรู้สึก ขนลุกชูชันขึ้นมาบางคนก็อาจจะรู้สึกทราบสั้นบูบวาบไปตัวสะพานกายบางคนอาจจะเอิบอิ่มมากจนน้ำตาไหลบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้นั่งอยู่ที่พื้นในขณะนั้นคือคล้ายๆกับตัวลอยขึ้นไปหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรคือร่างกายขยายโตออกไปคล้ายๆกับจะเอื้อมไม่ถึงเป็นต้น ลักษณะของปีติเท่าที่มีการบันทึกตรวจสอบจากบุคคลเป็นนั้นมากนั้นปรากฏว่าไม่ค่อยลงกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยดังที่ได้กล่าวมาแล้วลักษณะของปีติถ้าบุคคลพินิษพิจารณาให้ดีจะพบว่าจิตก็วิ่งอยู่ที่ปีติตามที่ปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นๆั้นอีกประการหนึ่งจะมีความสุข ซึ่งพิเศษออกไปกว่าสิ่งที่เรียกว่าสุขในชีวิตประจาวันเป็นความสุขที่มีความสงบเข้าสนับสนุนมีปีติเข้าไปเสริมส่งเป็นลักษณะความโปร่งเบาของกายและใจของบุคคลไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความกระตุ่มร่าวร้อนปรากฏอยู่ในขณะนั้นลักษณะของความสุขที่ปรากฏขึ้นนี้เอง จึงมักจะทําให้คนไปติดคือไปพักอยู่ที่ความสุขดอก น, นั้นข้อนี้อุปมาเหมือนบุคคลเราเดินทางท่ามกลางแสงแดดอันร้อนเมื่อได้เห็น ร, ร่มเงาของต้นไม้อยู่ข้างหน้าก็เดินเข้าไปหาที่ร่มเงาต้นไม้แล้วก็ไปพักรับลมเพลินอยู่ในที่นั้นไม่ยอมที่จะเดินต่อไป ในที่สุดก็มีความผูกใจมีความฝังใจว่าภายใต้ร่มเงาของต้นไม้นี้เองให้ความสุขแก่เราอย่างเที่ยงแท้สมบูรณ์ซึ่งโดยความจริงแล้วก็ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะคนต้นไม้นั้นยังมีอันตรายยังมีสิ่งที่เป็นศัตรูมาทําอันตรายแก่บุคคลผู้อาศัยอยู่ก็ได้ท่านจึงไม่สอนให้ติดจูในเรื่องเหล่านี้ อย่างหนึ่งซึ่งท่านใช้คําบาลีวาา่าเอกกัคตาคำเอกกัคตาคือจิตที่เข้าถึงความเป็นหนึ่งหมายถึงว่าตามปกติแล้วจิตของคนจะมีอารมณ์อยู่เป็นนั้นมากแต่เมื่อถึงชั้นนี้แล้วจิตจะมีอารมณ์อันเดียวท่านั้นเช่นระลึกลมหายใจเข้าออกอยู่ก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวแม้จะมีเสียงอะไรเข้ามารบกวนก็ไม่รับ เสียงเหล่านั้นทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของบุคคลตามปกติแล้วจะรับอารมณ์ได้ในขณะเดียวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เนื่องจากขนะนั้นเป็นไปเร็วมากฟังดูแล้วคล้ายๆกับว่าจะรับได้หลายเรื่องซึ่งแท้ที่จริงแล้วรับได้เรื่องเดียวตอนนั้นเมื่อจิตไปส ง, งบเป็นสมาธิอยู่เช่นนั้นก็ตัดกระแสะอารมณ์ภายนอกออกไปได้ ผลเหล่านี้เกิดขึ้นในชั้นที่หนึ่งที่เรียกว่าปฐูมชาญแต่ยังไม่ลักษณะอ่อนไหวต่ออารมณ์ได้ง่ายอยู่ดังที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติต่อไปความตรึกนึกก็จะสงบลงคือหายไปแต่จิตใจของบุคคลจะเต็มไปด้วยปีติความสุขและสมาธิความสุขในช่วงนี้เองที่บาลีท่านใช้คำว่า เป็นความสุขที่ทราบซึ้งตรึงใจยิ่งหนักเรียกได้ว่าด้วยชีวิตสามัญธรรมดาบุคคลจะไม่สัมผัสความสุขในลักษณะนี้เพราะเป็นความสุขที่ไม่มีอามิตรไม่มีเหยือ่อเป็นเครื่องล่อเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดสุขแต่ว่ามีธรรมะคือความเอิบอิ่มความส ง, งบเป็นตัวเสริมส่งให้บังเกิดขึ้น ลักษณะของสมาธิในช่วงนี้หรือฌานในช่วงนี้ทำให้จิตพลากจากอารมณ์ภายนอกได้ห่างไกลยิ่งขึ้นคล้ายๆกับลูกโคที่หย่านมเรียบร้อยนานไปแล้วถึงแม้ว่าจะต้องไปอยู่ห่างแม่ของตัวเองก็ไม่หันกลับมาหาแม่บ่อยนักอย่างในสมัยก่อนแต่ว่าในชั้นนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นเพียงแต่ทางผ่านเท่านั้นบุคคลไม่ควรไปติดอยู่ เพราะเหตุว่าเป็นความสุขมากกว่าเดินท่ามกลางแสงแดดด้วยอุปมาที่กล่าวในตอนต้นและเมื่อได้ปฏิบัติต่อไปก็จะเข้าถึงชั้นของตติยฌานที่ปีติเองก็จะหายไปยังเหลือแต่ความสุขกับสมาธิถึงแม้ว่าชื่อขององค์ธรรมจะเหมือนกันแต่สภาพจิตนั้นแตกต่างกันความสุขที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นความสุข ที่ส ง, งบมากกว่าความสุขในชั้นที่สองคือความสุขที่เพิ่มปริมาณความส ง, งบสูงขึ้นพร้อมที่จะก่อให้เกิดเป็นรูปของปัญญาขึ้นมาดังนั้นพอถึงชั้นที่สความสุขก็ดับมากลายเป็นเอกเ ก, กตาคือจิตส ง, งบเป็นอารมณ์อันเดียวและปรากฏเป็นอุเบขาคืออาการเพ่งพินิษ ด, ดูจิตของตนเอง คำว่าอุเบขานั้นท่านจำแนกเอาไว้ถึงส0บประกาศด้วยกันแต่ในที่นี้เรียกว่าชานุเปกขาคืออุเบขาในองค์ชาญเป็นอาการของปัญญาที่เพ่งพินิษ ด, ดูจิตของตนอุปมาเหมือนกับมแมลงมุมที่ทำรังของตนไว้แล้วก็ไปนอนสงบอยู่ที่กลางรางังตราบใดที่ยังไม่มีอะไรแปลกปลอมเข้ามาติดตาข่ายของตน ก็จะสงบอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาติดตะข่ายก็จะออกไปจัดการกับสิ่งเหล่านั้นแล้วกลับมาสงบอยู่ในกลางรังอีกจิตของบุคคลที่เข้าถึงจจตุจยชานก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าฌานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นถึงความชำนิชำนาญอย่างสูงที่ท่านเรียกว่าวัตสีความชนานาญเหล่านั้นมีอยู่หอย่างด้วยกัน คือชำนาญในการนึกชำนาญในการเข้าฌานชำนาญในการให้ฌานดำรงอยู่ชำนาญในการคร้ครวนพินิษ์พิจารณาองค์ฌานในขณะนั้นๆและชำนาญในการปัจเจเวกคณะคือตรวจสอบเฉพาะเรื่องไปในขณะนั้นๆันนลักษณะของว ส, สีดังที่เคยกล่าวมาในตอนก่อนกอนนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นธรรมะที่ใช้ ในกรณีทั่วไปงานอะไรก็ตามถ้าหากว่าบุคคลมีความชำนิชำนาญคล่องแคล่วดีแล้วสามารถที่จะทำงานเหล่านั้นด้วยเวลารวดเร็วให้สาเร็จไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามได้แม้ในชั้นของชาญและชั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องอาศัยวัตถทั้งหประการเช่นเดียวกันเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติมาถึงขั้นนี้ ตามหลักของธรรมะ7ขั้นซึ่งทรงอุปมาไว้ว่าเหมือนกับบุคคลอาศัยรถเจ็ดผลัดเพื่อไปสู่สถานที่ใดที่หนึ่งคือขึ้นรถสายหนึ่งไปลงในที่1นึ่งแล้วต่ออีกสายหนึ่งไปลงในที่1ก็ต่อกันไปเรื่อยๆจนถึง7ช่วงด้วยกันก็จะถึงจุดหมายปลายทางการดําเนินไปสู่จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะอย่างนั้น ถ้หากว่าเข้าถึงจุดนี้แล้วก็ถือว่าได้ผ่านความวิสุทธิหมดจุดแห่งศีลมาแล้วและเข้าถึงความวิสุทธิหมดจุดแห่งจิตที่ท่านเรียกว่าจิตตวิสุทธิดังนั้นรูปประชาทั้งสประการจึงเป็นจิตตวิสุทธิเมื่อเป็นจิตตวิสุทธิในขณะนั้นจิตจะไม่มีนิวรณ์ทางหประการเกิดขึ้นกรุ้มรุ่มใจและจะสงบอยู่อย่างนั้นราบเท่าที่ องชาญทั้งสี่ประกาศนั้นไม่เสื่อมไปดังนั้นเรื่องของเจรณะช่วงสุดท้ายจึงเป็นผลที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติตามหลักสมถกรรมฐานทุกคนไม่ว่าจะใช้อารมณ์ของกรรมฐานข้อใดเป็นหลักในการปฏิบัติก็ตามแต่ทางนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจว่าผลเหล่านี้เป็นผลที่สงบประนีต ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายจะต้องอาศัยการเวลาความเพียรพยายามสติสัมปชัญญะเป็นอุปการธรรมอย่างสูงดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป